ผู้หปัญญาชนทั้งหลายให้มีสติปัญญาศรัทธาความเชื่ออย่างมีความมัดชัดเจนแม่นยมไม่ใช่ศรัทธาแบบก้เาเข้าออกศรัทธาก้าวหน้าศรัทธาเป็นทุนเพื่อทำความดีเพื่อความเชื่อเพื่อปฏิบัติตามสิ่งที่ผิด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 แม้แต่ว่าเป็นเมียนเป็นกรรมนอกจากนั้นก็ยังมีการเกิดเจ็บเจ็บตายที่มันยืงใหญ่คอยจะลองให้เสียใจในเวลานั้นยังไม่ถึงเวลานั้นก็ยังกลัวยังสะดุ้งกรหว่ากลัวจะถึงเมื่อไรเป็นยังไง เราทำงางชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดมาเพื่ออยู่ในสภาพดิบา ก, กรรมชนนี้มีค่าอะไรจึงมีาศาสนาจึงมีคำสอนจึงมีพระเจ้าอุบัติขึ้นเนอะเพื่อทำคำสอนเป็นไปเพื่อทงออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปริธาน มีเชิงเหลือแล้มีของสอนท่าทายแว้งู็ใดเจริญสติปัฏฐานสีอย่างต่อเนื่องมีอนนส ง, อ ย, งอย่างวัยอย่งวันเดวันอย่างต่งางหนึ่งเดือนเดเดือนอย่างชาติหนึ่งปีเดปีถึงมากถึงผลมีอนุสงสองประการเป็นพระนาคามีบุคคลเป็นพระหรหัน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 ไม่ต้องไปเช้่สมองเหตุผลทนยไยให้มีการกระทําให้มีที่ตั้งด้วยกรรมฐานกรรมฐานฐานคือที่ตั้ ง, งกรรมคือการกระทําตั้งไปที่ไห น, ไหนตั้งไว้ที่กายนี่แหละมันมีกายมันเป็นลูปตั้งไว้เราทํายางไงมีช <c oughs> ติเปในกายชติเปในกายยังไง แล้ก็สาธิตดูทําไงโอเจ้าก็สาธิตกู้เขียนเข้ามีสติเหตะเขียนออกมีสติในวันสู่ต้นๆในวันเป็ดเดือนหทํอย่างนี้กู้เขียนเข้ารู้สึกตัวเหยี่อเขียนออกรู้สึกตัวในวันเป็ดเดือนหกงานมาแล้วเกือบสองวห้ารอย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 <laughs> ไม่มีหัวคขนาดมันเสื่อมเนี่ยเออแขนเขา้ารู้สึกตัวเหยียดแขนออกรู้สึกตัวเนี่ยทําได้ไหมทุกคนนั่งอยู่เนี่ย <m ach> ไหนมือข้างซ้ายข้างขางวาอยู่ที่ไหนถ้ามีอะไรว า, างไวเ <c oughs> ้เข่ามีพวกเข่าไหมสองขานมีไหมว า, างไว้เข่าเนี่ย เราจะเป็นคำถามเป็นโจทย์ว่ามือของท่านอยู่ที่ไห น, ไหนมือสองข้างอยู่ที่ไห น, ไหนทุกคนตอบได้ไหมไหตอบได้ไหมมืออยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้นตอบต่างต่างทีฮะเดี๋ยวยี่เข่าหรือ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 นี่คาถามไหมก็นอนื่นตอบให้ได้ไหมถ้าคนเนื่นตอบให้ไม่จริงถ้าเราตอบเอาเนี่ยไม่จริงมือมือของฉันอยู่บนเขา่าเนี่ยสติเป็นนี้กู้แขนเข้าดูเฉตั้งเนือข้า ง, ง, งข้างข้างขวายตั้งไว้รูปไหมยกขึ้นรูปไหม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 ถ้ามือนสุกอยู่ในความสุกไม่เห็นสุกถ้ามืนทุกข์อยู่ในความทุกข์ไม่เห็นทุกข์ให้ดูให้ออกมาดูพระเจ้าสูทส่งหลายออกมาดูโลกนี้นให้มาดูอย่างนี้นเรียกว่าหัดมีจิติไปในกายถ้าทําได้หรือว่ามีหน่อโพธิปฏิบัติได้ไหมรู้ได้ไหมนั่นทำได้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 เหตุอยถูกรอยได้ลอยเสียลอยโกรธลอยโลภลอยหลงเบื้อนไปหมดเพราะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยลบออกเด้อมันหลงเห็นมันหลงไม่ลลหลงเป็นหลงให้หลงเป็นรูเรือว่าไม่เบื้อนเด้อมันทุกข์ให้ทุกข์เป็นรูไม่เบื้อนทุกข์เด้อมันโกรธ ให้โกรธเป็นลู่เป้นเพื่อนโกรธก็พอใจไม่พอใจอะไรมากมากมากๆแปดหมื่นสี่พันอย่างให้เปลี่ยนมาเป็นพระพุทธรู้เนี่ยจะไม่เพื่อนนี่ว่ามีหวังสาชี้อย่างเนี่ยทำไม่สําเร็จไปใช้กับอะไรก็สําเร็จเอชาชอบิไปนอกก็สําเร็จนี้ผัวไม่เมียก็สําเร็จ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 ถ้าเราเปลี่ยนโกรเป็นแม่โกรฉันหายโกดหรื อ, อยังตอนนี้เรียมังสาพ ม, มังสาไม่มีคำถามไม่มีคาตอบน่าจะน่าจะชัดเจนในเรื่องนี้สำเร็จไปสำเร็จไปมันเป็นอย่างนี้เมื่อใช่เร้มันเป็นอย่างนี้นนนานตาวะที่เป็นกับภาวะที่เห็นมันต่างกันแบบนี้ถ้าสุขเป็นสุก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 กระแสตามไปตามไปจะรู้ว่าสว่างไปสว่างไปอันเห็นของเห็นก็ไม่เป็นเนี่ยมันก็มีเกรสต่างแบบนี้ไม่หลงเป็นหลงพยายามที่ยวพูดตรงนี้อยู่เสมอให้หลงเป็นรู้ไม่ทุกเป็นทุกให้ทุกเป็นรู้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 ถ่ามันไม่หลงก็เป็นธรรมความมันธรรมความที่เกิดขึ้นกับตัวเราก่อนไม่ใช่หาความมนธรรมจากจิงเงินวัตถุอื่นคนอื่นค้องหลงไม่เป็นธรรมไม่ความไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมธรเป็นอย่างนี้ทรรเป็นอย่างนี้ จงละทำดำเสียเจริญทำขาวคือเจริญแบบนี้แล้วจะก็สวดกันดีเหลือเกินอ้อนรนโอคาโอคามากรรมมาเวกียต่ตรลมังอะไรจำไม่ได้แล้วพวกรมจงละทำดำเสียแล้วเจริญคำขาว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 ถ้าเป็นเราเหมือนคนลอยน้ําถ้าไม่เป็นเราขึ้นฝั่งเห็นเนี่ขึ้นฝั่งง่ายถ้าเป็นเราขึ้นฝั่งไม่ได้เหมือนมันลอยคอถ้าเป็นโศกก็ขึ้นฝั่งยากถ้าเป็นทุกข์ขึ้นฝั่งยากถ้าเห็นเราขึ้นง่ายเป็นท่าเทียบเรือก็เรีว็วได้ฝั่งพระนิพานผู้ที่ถึงฝั่งพระนิพานไม่น้อยหนัก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 ถ้าไม่ตั้งเราไปข้างหน้าไปข้างหลังจึงตั้งไว้ให้มันอยู่ปัจจุบันปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมังตะตะตะตะวิปัสสติผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นจะพอน้านทีนั้นนันอย่า ง, างแกมแจ้ ง, งไม่ง่อแย่นคอนแคลนเกาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเสียงนะ <c oughs> น่าฟังไหม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 ไอ้ปากไอ้ลิ้นก็ใช่มาได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมทวยเจ้าตอนปริพาน์ได้เตือนไหมโยก่อนพิจูทั้งหลอยบทนี้เราขอเตือนท่านทันท้งหลายว่าวายธรรมาสังขาลาปมาเทนะสังขา น, นี่มีการเฉื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงอย่าทับปมาเถิด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 ไม่เป็นอะไรกับอะไรคือต้อนรับจะมีอะอะไรก็ทำในโลกนี้ขอต้อนรับด้วยลักษณะแบบนี้ไม่เป็นอะไรกับอะไรชีวิตรเราสูงสุดสูงสุ ด, สดเดี๋ยวนี้เราเป็นนะ่ะมันร้อนเป็นผู้ร้อนมันหนาวเป็นผู้หนาวมันเหิวเป็นผู้หิว มันเจ็บเป็นผู้เก็บถ้าหัดก็เห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บอย่างเราสวดทำไมาจาับส ม, มาธิอลิมบักยังเปล่าส ม, มาธิติเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิจูั้งหลย่ยพิจูในธรรมะอย่างนี้เห็นทุกหน้าส ม, มาธิติ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 หน้าโลอบนิวาสติไม่ใช่ตาสติเป็นดวงตาภายในมันโลอบมนทางไหนก็รู้เนาะถ้าตาเนื้อไปทางเดียวไปทางหน้ามองข้างหลังไม่เห็นหน้าโลอถ้าหน้าฝึกถ้ามันมีแล้วมันไม่ไปไหนมันเป็นไม่ใช่รูทําให้เป็น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 ถ้ามันหลงก็เห็นมันหลงถ้ามันผิดก็เห็นมันผิดถ้ามันทุกข์ก็มันทุกขนะ์เน่ยมีเตเห็นเนี่ยนี่ตัวเฉลยชีวิตทั้งหมดเลยเป็นอย่างนี้จริงๆจะเฉลยได้ทั้งหมดทําได้ทุกชีวิตปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการนี่คือปฏิบัติธรรมลองสวด